เดี๋ยวฟังธรรมกันต่อแล้วกันทุกเช้าทุกเย็นเราก็ฟังธรรมขอนอบน้อมพระรตน า, ตายัยขอโอกาสหลวงพ่อทองสุขแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนแต่ธรรมทุกท่า น, น, นาจะเดินในธรรมแม่ขีและญาติธรรมทุกคนคนทั่วไปส่วนใหญ่นะหรือแม้แต่สัตว์สัตว์โลกสั้งหรายส่วนใหญ่ก็ เกลียดทุกนะไม่อยากจะทุกแล้วก็เที่ยวสแสวงหาความสุขอยากที่จะมีแต่ความสุขนะเราเกลียดทุกกลัวทุกแต่อยากจะเอาสุขอยากจะได้สุขที่จริงมันก็คล้ายๆเหมือนคนที่อยู่กลางอยู่กลางแดดนะในช่วงกลางวันพาทิศตอนร้อนเที่ยววิ่ง ที่จะหนีจากเงาของตัวเองแต่วิ่งหนีนเดินหนีจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถหนีจากเงาของตัวเองได้เงาก็ติดตามตัวไปทุกหนทุกแห่งคล้ายกับหลายคนซึ่งเมื่อไม่ชอบความทุกข์เกลียดความทุกข์แต่ความทุกข์ก็ยิ่งตามไปอท่วมทมอ่าท่วมทับจิตใจ ให้ทุกข์หนักไปกว่าเก่าแต่ความสุขที่พยายามสแสวงหาบางทีมันเหมือนกับเหมือนกับอากาศที่ไม่สามารถข่อยคว้าได้สแสวงหาเท่าไรจเจียเครื่องมืออะไรมาจับก็ไม่สามารถจับมันได้เราก็เที่ยวแต่สแสวงหาความสุขพยายามที่จะหนีความทุกข์แต่จริง การกระทําเช่นนั้นเดี๋ยวการวางใจเช่นนั้นมันตรงข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เราเรียนรู้จากทุกขไม่ใช่ให้เราหนีความทุกข์นะมันต่างกันพระพเจ้าสอนให้เราทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ในอริยสัจสี่ข้อแรกนั้นเลยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากที่พวกเราต้องมาศึกษาเรื่องของความทุกข์ ความทุกข์ไม่ใช่มีไว้เพื่อหนีแต่ความทุกข์มีไว้เพื่อให้เราศึกษาเมื่อศึกษาแล้วมันจะเกิดปริญญาคือการกาหนดรู้ทุกข์นะั่นแหละคือปริญญากาหนดรู้ได้แล้วก็คือจบนะจบปริญญาก็คือเรียนจบแล้วนะ น, นั้นสิ่งที่ทุกข์ที่เราต้องศึกษาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าความทุกข์ก็คือเรื่องของความไม่ ส, ไมสบายกายบ้าง ไม่สบายใจบ้างความคับแค้นใจการเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจการพัดผ้าจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจหรือบางทีก็ผ่านไปถึงเรื่องการแก่การเจ็บการตายนั่นคือความทุกข์ว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับวัตถุสิ่งอื่นวัตถุอื่นนะแต่ที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกับความชอบใจไม่ชอบใจของเราด้วย แต่นั้นก็ยังเป็นความทุกข์ที่ก็ยังเชื่อว่ามันก็เห็นง่ายแล้วก็มันก็ชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไปที่พระพุทธเจ้าท่าสอนว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแหละคือตัวทุกข์อุปทานก็คือการอุปโลคหรือว่าการยึดมั่นสําคัญหมายในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแหละมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะ ไอ้ทุกข์ที่เกิดจากการแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นทุกข์ที่เกิดจากการพัดภาคสูญเสียไนะปเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอันนั้นก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเราทําความรู้จักถึงขันทั้ง5ทําความรู้จักถึงอุปทานขันที่ไปไปยึดนะในขันทั้ง5อันนั้นแหละจะทําให้เรามีปัญญาออกจากทุกข์อย่างแท้จริงอันนั้นสิ่งที่ เราต้องมาศึกษาก็คือเนี่ยศึกษาเรื่องของความทุกข์เรื่องของความทุกข์อยู่ที่ไหนก็คือเนี่ยแหละการที่มีอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยแหละนำมาซึ่งความทุกข์เราก็เลยมาศึกษาเรื่องของขันนะขันทั้งห้ามีอะไรบ้างมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณรูปถ้าจะว่าภาษาง่ายๆก็คือกายนะร่างกายนะ แต่จริงมันก็ไม่ตรงสักทีเดียวนะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายคือเราก็มาศึกษาเรื่องของกายนี่แหละดูซิรูปมันมีความทุกข์อย่างไรนะดูรูปมันประกอบด้วยอะไรบ้างรูปประกอบด้วยธาตุนะธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟธาตุเมื่อมันไม่สมดุลกันก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดความไม่สบายกายหลายๆอย่างเกิดขึ้น แต่จริงแม้แต่มันสมดุลกันอยู่แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทกันนะธาทั้งสี่มันก็มีการปรับตัวเซล์ในร่างกายของเราก็มีการเกิดการตายอยู่ทุกวินาทีทุกเสีซย ว, วินาทีก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนละเอียดขนาดนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นเราก็เลยมาศึกษาสิ่งที่พอมองเห็นได้นะมองเห็นได้ด้วยตาบ้าง หรือสัมผัสได้ด้วยใจบ้างเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของรูปด้วยการดูที่ตาบ้างนะแต่นั่นก็ไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่แต่เรามาเรียนรู้ด้วยการเอาใจมาศึกษาในการรู้เรื่องของรูปนะเรารู้ที่ตรงไหนรู้ที่รูปที่เคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดความทุกขาเวทนาที่เกิดขึ้นกับรูปนั่นแหละดูดูไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยดูเฝ้าดูเหมือนคล้าย นักสติที่คอยเก็บสตินะการเปลี่ยนแปลงไปก็จะกลายเป็นเห็นเป็นกราฟนะเป็นครบแบบทุกวันทุกวินาทีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็จะเกิดกราฟภาพรวมข้างใหญ่ในรอบหนึ่งปีในรอบสิบปีมันเป็นอย่างไรมันก็จะพอทานายอนาคตได้ว่าเออต่อไปมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาทำควาศึกษาคล้ายเหมือนเราเก็บสติ เรื่องของรูปที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันหยุดนิ่งที่มันแสดงอาการท่าสีทั้งหลายมันแสดงอาการตัวตนมันอย่างไรแล้วก็ดูมันนะอ๋อมันก็จะเห็นตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนมือตอนนี้เปลี่ยนแปลงเป็นหยุดนิ่งตอนนี้เปลี่ยนแปลงเป็นเดินตอนนี้เปลี่ยนแปลงเป็นนั่งตอนนี้เปลี่ยนแปลงจากที่นั่งสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นปวดหลังบ้าง นะเจ็บก้นบ้างปวดขาบ้างนะมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนั้นให้เห็นซึ่งในความเปลี่ยนแปลงมันก็แฝงซึ่งความทุกข์ทุกข์คือมันทนอยู่ในอาการเดิมไม่ได้อะไรก็ไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมได้ไม่มีสุขในรูปตรงนี้เลยนะที่เราเรียกว่าสุขเขเวทนาหรือว่าสบายสบายตัวดีที่จริงมันก็เพียงแค่ว่าเป็นชื่อของความว่าที่มันไม่ทุกมากไม่ลาบากมากเท่านั้น เรเรียกว่าเป็นความสบายกายนะทานข้าวอิ่มนะทานของอร่อยหรือว่านอนในที่นุ่มนุ่มหรือว่าที่สบายเราก็ว่ามันสบายตัวสบายกายแต่จริงมันเพียงแค่ว่ามันไม่ทุกข์มากมันก็เลยเรียกเราก็เลยเรียกว่าสบายเท่านั้นแต่จริงจะหาความสบายในรูปนี้ไม่มีหรอกนะเพราะว่ารูปนี้มันมีแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์มีแต่สิ่งที่เป็นอสุภะไม่น่า ไม่น่าชมไม่น่ามองมีแต่หนังหุ้มไว้เท่นั้นถึงดูพอดูกันได้แต่ถ้าปาศจากซึ่งหนังหุ้มเนื้อตัวของเราเข้าไปไม่มีอะไรน่าดูบ้างยิ่งข้างในกินอะไรเข้าไปมันก็ถ่ายของที่สกปรกที่เหม็นโสโครกออกไปทุกวันมันก็เป็นธรรมดาของรูปเนี่ยเราก็มาทําความศึกษาเก็บสติเรื่องของรูปดูการเปลี่ยนแปลง ถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นทุกข์เห็นอาการที่บังคับไม่ได้ของรูปจิตใจมันก็จะเรียกว่าคลายความกำหนัดคลายการยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนี้เป็นของเราเพราะมันจะเห็นชัดว่ารูปนี้บังคับไม่ได้รูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยเมื่อเราเห็นเช่นนั้นมันจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปตอนนี้เพราะเห็นว่าอ้อรูปมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปที่มันเกิดขึ้นของมัน มันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองมันบังคับไม่ได้นะเมื่อไรที่เราไปสําคัญมั่นหมายไปยึดว่ารูปหรือว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อนั้นแหละเกิดความทุกข์ใจทันทีไปยึดว่ารูปนี้สวยไ ป, ร, ปรูปนี้ไม่สวยไปยึดว่ารูปนี้ทุกข์ไปยึดว่ารูปนี้สุขเมื่อนั้นมีตัวตนเข้าไปในรูปนั้นอันนี้แหละอุปท า, านขันธทั้งห้าที่เราไปยึดรูปว่าเป็นของเราก็เลยนามาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าไม่มีความอ้าว อุปทานในการยึดมั่นว่ารูปนี้เป็นของเรารูปนี้มันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เพียงแค่ศึกษาอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีเรากเ็เป็นผู้สุขในผู้ทุกข์หรือในรูปตรงนั้นมันก็สบายเรื่องของรูปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของรูป น, ะ, นะถ้าเราเห็นตรงนี้ก็อ้อจิตใจมันก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นฝักแต่ว่ารูปนี้มันเป็นตัวมันไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนของเรา มันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นมาประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเปลี่ยนแปลงไปนะหมุนเวียนกันไปไม่มีเราในรูปนั้นนะไม่มีเรานอกรูปนั้นด้วยก็เห็นเช่นนั้นเห็นรูปคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะเห็นรูปคนอื่นก็เป็นภาษาสมมุติแต่จริงรูปทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันนะแก็เกิดเป็นรูปร่างแตกต่างกันไปเท่านั้น เห็นรูปที่เกิดขึ้นในจิตที่เราดำรงนี้ก็ดีเห็นรูปที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้อื่นสัตว์อื่นที่ดำรงอยู่ก็ดีก็มีสภาวะเดียวกันเมื่อเห็นแล้วมันเป็นสภาวะเดียวกันการที่จะไปหลงยึดมั่นสําคัญหมายในรูปนี้ก็ตามรูปอื่นก็ตามมันก็คายไปเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญหมายในรูปนี้ในรูปอื่นจิตมันก็เกิดความปล่อยวางนะไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องของรูปแต่รูป แต่ทุกแต่รูกมัน ก, ม ก, ม ก, นะก็ยังมีความทุกข์อยู่นะลูกก็ยังมีความทุกข์อยู่เป็นธรรมดาต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวข้องต้องแก้ไขต้องบรรเทาให้กับมันอันนั้นก็ใช้สติปัญญาใช้การดเทษะใช้ความเหมาะสมในการดูแลมันจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้เพื่อดำรงท่าสี่ขันห้าไว้ก็ต้องดูแลรักษามันไปแต่ดูแลรักษามันไว้อย่างรู้ทันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา อันนี้มันยึดเอาไม่ได้อันนี้จะดูแลรักษาอย่างไรมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมด า, าแค่รักษาไว้ให้มันได้ใช้ชั่วคราวใช้รูปนี้เพื่ออะไรใช้รูปนี้ในการมาตั้งอยู่ไม่ให้มันตายเพื่อจะได้ศึกษาเรื่องที่สำคัญขึ้นไปกว่ารูปอีกคือเรื่องอะไรเรื่องของจิตใจขันทั้ง5้ามันประกอบด้วยรูปหนึ่งส่วนแต่ประกอบด้วยเวด้วย เรื่องของจิตนะหรือเรื่องของนามธรรมอีก4ส่วนสัญญ า, เ, าเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่เป็นเรื่องของนามธรรมเวทนาคือความสุขบ้างความทุกข์บ้างหรือว่าอาการกลางๆที่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเป็นความเฉยเฉยอันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้าเราสังเกตดูที่จิตใจของเรา บางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์บางครั้งมันก็เฉยถ้าเรากลับมาดูอ๋ออันตนีนี่นเองเนาะนะสุขทุกข์เฉยมัเป็นธรรมดาเกิดได้เพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นไม่มีอาการาทุกข์เกิดขึ้นพร้อมกับสุขไม่มีนะหรือว่าเฉยเกิดขึ้นกับสุขไม่มีนะมันมีเกิดขึ้นนะเพียงแค่ครั้งละอย่างเดียวแต่บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะเรื่องของเวทนามันเกิดขึ้น ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นเท่าทันอ้ อ, อ ก, ก็จะเห็นมันเกิดขึ้นกับจิตแต่มันก็ไม่ใช่จิตหรอกนะจิตมันจะเป็นผู้สุขตลอดเวลาได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้จิตจะเป็นผู้ทุกข์ตลอดเวลาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้จิตจะเป็นผู้เฉยตลอดเวลาหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ความเฉยเข้ามาเยี่ยมเยียนจิตชั่วคราวมีแต่ความทุกข์เข้ามาครอบคองจิตชั่วคราวมีแต่ความสุขเข้ามานะ ครอบคลองจิตใจชั่วข่าวเท่านั้นนะแต่จิตที่แท้จริงไม่ได้เป็นอะไรกับความสุขกับความทุกข์กับความเฉยจิตที่แท้จริงแล้วมันก็เป็นของมันเช่นนั้นมันเป็นปกติอยู่แต่ความสุขความทุกข์ความเฉยเข้ามาเีย่แค่ชั่วข่าวเท่านั้นเราก็ดูอ๋อตอนนี้นี่เองเนาะที่เรียกว่ามันจรเข้ามากับจิตอาการที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยบ้างถ้าเราเห็น ถึงต่างเหล่านี้ชัดขึ้นก็ออมันก็เราจะไปยึดสุขไว้ตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมเมื่อใดที่เราไปยึดสุขนะั้นอ้อแสดงว่าเรามีอุปทานในเวทนาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นว่าเอาสุขไว้ตลอดเวลาหรือแม้แต่ความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่ชอบเราอยากจะผลักใสมันออกไปอันนั้นแหละก็คัรยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยากจะเอาออกไปอยากจะผลักใสมันนะหรือความเฉยเกิดขึ้น ไปยึดไปสร้างความเฉยไว้นะไปยึดความเฉยไว้คิดว่าตอนนี้คือจิตเป็นกลางนะอันนั้นก็ยังไม่ใช่นะที่จริงความเป็นเฉยกับจิตที่เป็นกลางบางทีมันภาษามาต่างกันนะความเฉยถ้าเฉยจากการรู้ตัวก็ดีก็ใช่แต่ถ้าเฉยจากการที่มันซึมมันทื่อมันเหนื่อยนะไม่รู้ตัวอันนั้นก็ไม่ใช่นะถ้าเฉยเกิดขึ้น เราก็รู้นะรู้ทันแล้วก็ไม่ไปยึดอันะนั้นก็ใช่เห็นว่าเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เห็นตรงว่าจิตมันเฉยแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราไปประคองความเฉยไปยึดความเฉยไว้อันนั้นก็คือการที่เราไปสร้างอุปทานในการยึดอารมณ์เฉยไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนอันนั้นก็คือความสําคัญผิดดัง น, นั้นที่จริงอาการสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยบ้างเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นคุณหรือเป็นโทษใยตัวของมันเอง แ, tuo, i, แต่อุปทานในการที่เราไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นแหละจะด้านไหนก็แล้วแต่อันนั้นแหละคือความทุกข์คือสิ่งที่เป็นโทษแต่ถ้าเราเห็นเพียงแค่ว่าตอนนี้จิตมันเฉยจิตมันสุขจิตมันทุกข์อันนั้นแหละคือการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนะถ้าเราเห็นนะไม่เข้าไปเป็นอันนั้นแหละคือผู้ที่เห็นไม่ไปยึดมั่นแต่ถ้าเมื่อไใดที่เราไปยึดไว้ด้านไหนก็แล้วแต่นะมันเป็นทุกข์เหมือนกันเหมือนกับมีกองไฟอยู่สามกองแหละนะ กองนึงเกิดจากเตาถ่านกองหนึงเกิดจากเตาฟืนกองนึงเกิดจากเตาแก๊สนะมันก็มีความร้อนมีมีโทษมีภัยให้กับมือของเราเช่นเดียวกันเราจะไปจับกองไหนมันก็ทุก์เหมือนกันมันก็ร้อนเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นผู้เห็นกองไฟทั้งสามกองมาแสดงตัวตนของมันนะจา ก, จากเกิดจากเตาถ่านเตาแก๊สหรือเตาฟืนก็แล้วแต่เห็นมันไม่ไปจับมันไม่ไปเกี่ยวข้องมัน มันก็ไม่ร้อน ม, มันก็ไม่ทุกข์แล้วฉะ น, นั้นเวทนาที่มันแสดงตัวตนเกิดขึ้นออก็ดูมันไปเช่นนั้นดูมันเกิดขึ้นเช่นนั้นสัญญานะความจําได้หมายรู้นะมันก็มีมากมายเราไม่ใช่ว่าฝึกเพื่อที่จะให้เราดื่มทุกอย่างอดีตก็ตามความรู้ต่างๆก็ตามไม่ต้องไปดื่มมันแต่เป็นผู้ที่ฝึกในการใช้สัญญาให้ถูก ไม่ไปยึดมั่นในสัญญาณนั้นๆว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็มีสัญญาเป็นปกติเห็นรูปนี้เรียกว่าสวยเห็นรูปนี้เรียกว่าหล่อเห็นรูปนี้เรียกว่างามเห็นรูปนี้เรียกว่าน่าเกลียดมันก็มีสัญญาธรรมดาสัญญาจําได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นธรรมดาแต่คนส่วนใหญ่บางทีพอสัญญาเกิดขึ้นก็เกิดเวทนาทันทีเห็นรูปนี้เกิดความสวย นะคิดว่าสวยก็เกิดนะกามรมารคะเกิดขึ้นก็ได้นะเห็นรูปนี้นะไม่สวยไม่ชอบก็เกิดปฏิคะความไม่พอใจอยากจะพักใส่ออกไปทันทีเมื่อเราไม่รู้ทันว่าสัญญามันจําได้แล้วมันให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีบวกหรือลบมันก็เกิดเวทนาที่เราไปเรียกว่าไปยึดต่อว่านี้ชอบไม่ชอบอยากจะพักใสเกิดความสุขเกิดความทุกข์ ต่อไปแต่ถ้าเรารู้ทันอ๋อมันสัญญามันผุดขึ้นมาแต่ไม่ไปเล่นกับสัญญานะเห็นแค่ว่ามันสัญญามันระลึกได้แบบไหนแต่ไม่มีเราเข้าไปเล่นต่อจากมันก็เห็นแค่ว่ามันผุดขึ้นจําได้ว่าเป็นอาการเช่นไรนะไม่ใช่ไปละสัญญานะแค่รู้ว่าสัญญาตอนนี้มันมันเกิดขึ้นอย่างไรแต่เราไม่ไปเล่นไม่ไปต่อกับมันแค่นั้นพอไม่ผักใส่มันด้วย สัญญามันจะเกิดขึ้นเช่นไรก็ดูลไปเช่นนั้นนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเทียนถ้าบอกว่าเกลือมันไม่มีเค็มนะเพราะว่าท่านไม่เอาสัญญาในอดีตมาบอกว่าเค็มน้ําตาลก็ไม่ได้หวานเพราะไม่ได้เอาสัญญาในอดีตมาบอกว่าหวานแต่รู้ว่าเกลือมาอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ปากไม่อยู่ที่ลิ้นของเรามันก็ไม่เกิดความเค็มไม่เกิดหรือน้าตาลไม่อยู่ในปากมันก็ไม่เกิดความหวานแต่มันอยู่ของมันเช่นนั้น ถ้าเราเห็นว่าสัญญามันก็อยู่ของมันอยู่ตรงนั้นไม่มีเราไปเป็นผู้ยึดในสัญญานั้นออมันก็แค่ผุดขึ้นจากจิตนะแต่มันก็ไม่ใช่จิตนะมันก็ผุดขึ้นจากความว่างผุดขึ้นรอยๆเฉยๆแต่เมื่อไรที่เราไม่ไปเอาอะไรมารองรับมันมันก็ตกทิ้งไปเหมือนกับเวลามีคนจะคว้างหรือว่าโยนของจะมอบของให้กับเรา ถ้าเราไม่เอามือรับไม่เอาตัวรับทักอย่างของนั้นก็ตกทิ้งไปใช่ไหมเหมือนกับเด็กเวลาพ่อแม่จะป้อนข้าวให้เขากินเด็กมันปัดข้าวตอนนั้นทิ้งข้าวก็ไม่ได้เข้าปากเด็กนะอันนี้ก็เหมือนกันพอสัญญามันจะมายัดเยียดให้เป็นตัวเรานะให้มันเรามาสำคัญมั่นหมายไปยึดไว้เราก็แค่เฉยๆไว้นะดูมันไป สัญญามันก็ตกลงไปต่อหน้าต่อตาของมันเองแต่ถ้าเราจะเอาสัญญานั้นมาใช้ประโยชน์ก็สามารถเอามาใช้ได้เป็นผู้ใช้สัญญาไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นทาสของสัญญาคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติจะกลายเป็นทาสของสัญญาสัญญามาใช้ให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราชอบให้เราไม่ชอบมาใช้ให้เราผักใสมาใช้ให้เรายึดไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ใช้สัญญาเราจะใช้สัญญาให้เกิดประโยชน์นะ เกิดประโยชน์แก่ตนเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็เห็นอ้อสัญญามันไม่เที่ยงแบบนี้นี่เองแต่ถ้าเรานะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อไรมันเกิดเป็นความทุกขนะ์แน่นอนรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวสังขาร น, นี่ก็เป็นตัวที่ที่สำคัญมากๆานกะเพราะอะไรมันปรุงแต่งต่อเป็นสารพัดมากมายนะมันเกิดจากสัญญาบ้างเกิดจาก นะเวทนาบ้างมันก็ปรุงต่อไปที่สังขารแยะมากมายนะปรุงไปทางบวกบ้างปรุงในทางลบบ้างปรุงในทางเฉยๆปรุงในคำว่างๆก็มีแนะม้แต่ว่างๆปรุงให้มันว่างๆก็ยังเป็นก็ยังผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปแช่กับความว่างอยู่นะ แ, แช่กับความเฉยอยู่หรือจะไปปรุงไปทางบวกในทางลบก็นํามาซึ่งความทุกข์เท่านั้น ถ้าเราเห็นว่าอ้อสังขารมันก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของอะไรต่างๆก็ไม่รู้มากมายบางทีไม่ต้องไปแยกแยะรายละเอียดว่ามันมาจากไหนก็ได้แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปเติมเชื้อให้กับมันแค่นั้นพอละนะสังขารเนี่ยมันคล้ายๆกับเตาถ่านหรือเตาฟืนก็แล้วแต่เนาะมันอาจจะไหม้นะมาเกิดจากการปรุงแต่งแล้วก็ไหม้ไปแล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือการที่เรา ไม่เติมฟืนก้อนใหม่ไม่เติมถ่านก้อนใหม่ตรงไปในสังขารตรงนั้นเมื่อสังขาร น, นั้นมันคิดมันจบจากสิ่งที่มันเป็นธาตุเดิมของมันนะเป็นเชื้อเดิมของมันมันไหม้มันก็มอดไปมันก็พอละนะเหมือนกับเราจะก่อไฟบางทีก็เอากระดาษนะเอากระดาษทิชชู่กระดาษหนังสือพิมพนะ์จุดตรงนั้นไว้ก่อน แต่ถ้าไม่ไ ม, ไม่มีไม้ในน้อยไปรองรับกระดาษทิชชู่ที่ไหม้ไฟเมื่อมันกระดาษทิชชู่มันไหม้ไฟหมดมันก็มอดนะเป็นเท่าทานก็แค่นั้นไม่ต่อนะกลายเป็นกองใหญ่เข้าไปถ้าเรารู้ทันสังขารการปรุงแต่งตั้งแต่มันเริ่มปรุงแต่งขึ้นไปเล็กๆ น, น้อยนะ่ะพอรู้ทันมันก็มอดไหมก็ดับไปแค่นั้นก็พอละไม่เกิดเป็นไฟกองใหญ่ะฉนนั้นเวลา บางทีคนเราเวลาโกรธเวลามโมโหพี่จริงมันก็เกิดจากความเรียกว่าอุดหนุนนะไม่พอใจเล็กๆน้อยนี่แหละที่มันค่อยๆต่อเชื้อนะ่ะลามไปเป็นไฟกองใหญ่เป็นความโกรธเป็นควา ม, มโมโหเป็นความพยาบาทนะซึ่งมันดักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันสังขารตั้งแต่มันเกิดขึ้นเล็กน้อยเนะี่ยเราก็จะเรียกว่าไม่เติมเชื้อให้กับมันเดี๋ยวมันก็ดับไป เห็นว่ามันสังขารมันคิดมันก็คิดของมันเองไม่ใช่เราคิดไม่ไปยึดว่าเราเป็นผู้คิดไม่มียึดว่าเราเป็นผู้ปรุงแต่งอะไรแม้สังขารในการคิดในทางบวกในทางลบในทางเลื่อนลอยอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นว่ามันคิดไปเฉยๆสักแต่ว่ามันคิดแต่ความคิดนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าจิตมันคิดของมันเองถ้าเราเห็นอ้อมันก็คิดของมันเองนี่ เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันแสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเกิดความตั้งใจทั้งเกี่ยวข้องด้วยการด้วยงานต้องเกี่ยวข้องในผู้คนคราวนี้อ๋อเรามาใช้สังขารให้มันคิดสินะเหมือนกับกองไฟเราใช้มันเราจุดมันเพื่อต้มน้ําเพื่อทําอาหารเพื่อทํากับข้าวนั่นแ่ะคือเราเป็นผู้ที่ใช้มันมันมีขอบเขต ม, มีข้อจํากัดอยู่ในฐานเอออยู่ในเตาไว้ right? ไม่ใช่ให้มันลามไปไหมสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่อไปอันนั้นแหละคือเราเป็นผู้ใช้ความคิดนะถ้าเราเป็นผู้ใช้ความคิดนะความคิดมันก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยอะไรแต่ถ้าเมื่อไรที่ความคิดมาใช้เราให้เป็นตัวเป็นตนให้เป็นสุขเป็นทุกข์ให้เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งต่อไปเมื่อนั้นแหละมันไม่ลามไปเรื่อยๆเกิดเป็นความทุกข์ใจนะกับตนเองเกิดเป็นการทําร้ายคนอื่นทางวาจาทางการกระทําต่อไป ถ้าเราเห็นอ๋อสังขารการปรุงแต่งมาเป็นเช่นนั้นเองนะถ้าเราก็วางความคิดไว้นะให้เป็นที่เป็นทางไม่ไปยึดเป็นตัวเป็นตนของเราแล้ว ม, มันก็เกิดความสบายนะเกิดความสบายมากขึ้นเรื่องของวิญญาณก็เช่นเดียวกันวิญญาณเป็นเรื่องของการรับรู้จักสุวิญญาณนะการรับรู้ทางตานะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย หรือไม่แต่ทางใจทางใจก็รับรู้ได้นะแม้จะไม่มีอวัยวะภายนอกมาเชื่อมให้เห็น ช, ะชะัดๆแต่จริงใจเราก็สัมผัสได้นะเราอยู่ใกล้ใครนะเราก็สัมผัสได้ว่าคนนี้ร้อนหรือว่าคนนี้เย็นนะอยู่ใกล้ต้นไม้ก็สัมผัสได้ถึงความร่มเย็นถึงความอบอุ่นนะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ทาให้เกิดความน่ากลัวเกิดเป็นความ แล้วก็สัมผัสได้ว่าอ้อนี่มันเริ่มร้อนแล้วนะอันนี้ใจมันเป็นทวารอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ว่ามันจะตระเวนสุขตระเวนทุกข์หรือว่าเกิดอารมณ์ใดเกิดขึ้นแต่จริงถ้าเราเป็นผู้มีสติรูท้ทันเมื่อตาไปเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นรูปมันก็พอแค่ตรง น, นั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อหูได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินไม่ไปปรุงแต่งต่อ เสียงจะไพเราะเสียงจะไม่ไพเราะนะคําพูดที่พูดในคําพูดนั้นจะออกไปทางไหนก็สักแต่ว่าได้ยินมันก็เป็นเค่นั้นของมันดิ้นกระทบรสจะทานอาหารทางกับข้าวอะไรมันก็แค่สักแต่ว่าสัมผัสกันนะอาจจะรับรู้ว่ารสนี้เปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรแต่ถ้าเรารู้ทันแค่นั้นไม่ปรุงต่อว่าอันนี้เรียกว่าชอบอันนี้เรียกว่าอร่อยอันนี้เรียกว่าไม่ชอบอันนี้เรียกว่าไม่อร่อย พอแค่ตรง น, นั้นเออแต่บางทีภาษาสมมติมันก็ามาใช้ได้แต่ภาษาใจที่แท้จริงมันไม่ติดอ๋อมันก็แค่รู้ว่ารสมันเป็นเช่นไรแต่ใจไม่ไปยึดมั่นสําคัญหมายนั้นว่าว่าอันนี้เออต้องเอาต่ออันนี้ต้องผักใส่มันต่ออันนี้ก็ได้สักแต่ว่าเคี้ยวสักแต่ว่ากืนเข้าไปก็ได้หรือสักแต่ว่ารสชาติมันเกิดขึ้นไปอย่างไรแล้วก็ไม่ไปติดในรสชาตินั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะเหมือนกับ น้ําที่ติดกับใบบัวมันก็ติดอยู่กับมันเช่นนั้นแต่ก็ติดชั่วคราวเมื่อมันผ่านไปแล้วมันทิ้งไปแล้วก็ผ่านมันไปนะมันจะเหมือนมีคล้ายๆเหมือนมีพลาสติกเนาะมันมีอะไรก็ไม่รู้เคลือบไว้นะเวลาน้ํามันสัมผัสมันก็มันก็สัมผัสแค่ชั่วคาวเท่านั้นเมื่อเทมันทิ้งตากให้แห้งมันก็หายไปของมันจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของเราฝึกดีแล้ว ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเหมือนมีอะไรเคลือบไว้ไม่ให้ติดกับอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ติดกับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจนะมันก็แค่สัมผัสกันแล้วก็วางไปสัมผัสกันแล้วก็วางไปเมื่อเราเห็นอ้อมันสัมผัสถ้าเราไม่ปรุงต่อมันก็วางของมันเองแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้ไม่เท่าทันจิตก็จะไปยึดนะสำคัญมั่นหมายว่าอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ กลายมาเป็นตัวเป็นตนของเรากลายเป็นผู้กลายเป็นเราเป็นผู้เห็นรูปกลายเป็นเราเป็นผู้ได้ยินเสียงกลายเป็นเราเป็นผู้ลิ้มรสกลายเป็นผู้กลายเป็นเราในผู้ที่สัมผัสกับยินอสอ่อนแข็งกลายเป็นเราเป็นผู้นึกคิดปรุงแต่งนะหรือรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าแค่รู้สึกว่าตามันกระทบกับรูปแต่ไม่ใช่ตาเราหูกระทบกับเสียงแต่ไม่ใช่หูของเราไอ้ต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราเห็นมันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นทางเรียกว่าวิญญาณที่มันรับรู้แต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราตอนนั้นแหะมันก็เกิดความเบาเกิดความสบายมากขึ้นจิตใจเมื่อเห็นเช่นนี้ได้มันก็จะเกิดจิตที่เรียกว่าเป็นจิตอุเบกขาเป็นจิตที่ตั้งมั่นอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตที่เป็นอุเบกขาไม่ใช่จิตที่เฉยๆแต่เป็นจิตที่วางนะปล่อยวางอารมณ์นะ มันเฉยกับอารมณ์เฉยแบบผู้รู้ไม่ใช่เฉยแบบผู้ไม่รู้ตั้งจิตมันก็เกิดปฏิสัมพัทที่เรียกว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตมันมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไปกับสุขกับทุกข์กับบวกกับลบหรือแม้แต่กับความเฉยเฉยความเป็นกลางของมันมันก็ไม่ได้ติดกับมันตรงนั้นเช่นเดียวกันจิตมันจะอยู่คล้ายๆลอยเหนือสุขลอยเหนือทุกข์ลอยเหนือความเป็นกลาง ความเฉยๆนะแต่เป็นผู้ที่มีอุเบกขาแล้วแรอยรู่แรมอะไรแรดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่มันผ่านเข้ามาในจิตนะคอยดูอาการที่เกิดขึ้นที่มันผ่านเข้ามากับจิตจิตมันก็ยังมีอารมณ์ผ่านเข้ามาอยู่เป็นปกติแต่มันผ่านมาแล้วมันไม่ติดนะมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ติดไว้นะหรือเห็นอาการที่เกิดขึ้นที่มันผ่านเข้ามาในกายก็เช่นเดียวกัน มันผ่านมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็มีแต่อาการเช่นนั้นเองจิต ท, ที่เป็นอุเบกขามันก็แลยู่เช่นนั้นมันถอนตัวเองออกมาดูออกมาดูอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็กับจิตจิตเกิดเป็นความตั้งมัน่นเป็นอุเบกขามีสติแล้วแลยู่นะเมื่อเรามีสติเช่นนี้ได้จิตมีความตั้งมั่นก็คือเรียกว่าเป็นสมาธิแลดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายทางจิต มันก็ต้องเกิดปัญญาแน่นอนเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าอาการที่แสดงตัวตนต่างๆทางกายทางจิตมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่อาการเดิมไม่ได้มันมีแต่อาการที่ไม่ใช่ไม่ใช่เราบังคับไม่ใช่เราผักใสแต่มันเกิดขึ้นของมันเองแล้วก็ดับไปของมันเองมีแต่อาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นแบบนี้ทุกอารมณ์ทุกอาการเมื่อปัญญา มันเก็บความรู้ต่างๆเหล่านี้นะปัญญามันก็เก็บความรู้ทีละเล็กทีน้อยที่มันเกิดขึ้นแสดงทุกวินาทีทุกเสี่ยวอาการที่เกิดขึ้นกับจิตกับกายนี่แหละมันก็สะสมความรู้เข้าไปอ้อมันก็เข้าใจแล้วว่าธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นเช่นไรเหมือนกับเราทำสถิติเก็บข้อมูลนะมันก็ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆมันก็เห็นแล้วว่าภาพรวมที่แท้จริงนะมาเกิดเป็นกราฟแสดงให้เห็นแล้วอ๋อ คิศ ท, ทางาไปเป็นเช่นนั้นมันก็ได้ข้อสรุปเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของจิตมันเห็นเลยว่าอ๋อเมื่อจิตจิตหรือกายก็แล้วแต่มันแสดงอาการเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นตัวของเป็นตนของเราแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนาะแต่ถ้าเมื่อไใดที่เราไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อนั้นก็เกิดความทุกข์ใจมันก็จะสรุปได้สรุปได้ข้อบทเรียนว่ามันทุกข์เพราะว่าความยึดนะ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องยึดนะก็ไม่ต้องยึดที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเมื่อมันปล่อยการยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์มันก็เลยได้ข้อสรุปตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปว่ามันทุกข์ก็ต่อเมื่อที่เราไปยึดนะมันไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่ยึดก็แค่นั้นแต่จริงมันก็ยังมีตัวเราอยู่นะนะมันก็ยังมีตัวเราในจิตนี้อยู่นะยังมีความรู้สึกว่าจิตยังเป็นของเราอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดซึ่ง อาจจะต้องใช้ปัญญาในการย้อนกลับมาดูจิตให้มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยว่าอ้อจิตมันก็ยัง ม, มีความทุกข์หรือแม้แต่ไอตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูผู้ศึกษาทั้งนั้นมันก็คงมีความทุกข์อยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวจิตมันก็คงไปย้อนดูตัวผู้รู้ตัวจิตที่เป็นตัวรู้นี่อีกทีหนึ่งมันก็จะเห็นแสดงอาการต่างที่เป็นธาตุนะธาตุของความทุกข์ธาตุของความไม่เที่ยง ถ้าของความที่ยึดมั่นสำคัญหมายไม่ได้ชิ้นเดียวกันนะมันก็คงเป็นอาการที่ต้องเรียกว่าค่อยๆสะสมสติปัญญาให้มันมากขึ้นไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากที่เรามาศึกษามาภาวนาเพื่อมาเรียนรู้จากความทุกข์ที่แท้จริงเมื่อเรารู้จักความทุกข์ที่แท้จริงแล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือความทุกข์นะเมื่อเรารู้จักว่าอันไหนคือความทุกข์ เราก็จะเห็นว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์สาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็มีมากมายทั้งที่พูดไวตั้งแต่เรื้องต้นแต่จริงมันก็สรุปแล้วว่าเมื่อมีความอยากความยึดนี่แหละมันก็ไปเป็นสาเหตุของความทุกข์เมื่อรู้ทันว่ามันเกิดความอยากเกิดความยึดแล้วมันก็เกิดการไปวางความอยากไปวางความยึดความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นนะ มันก็เกิดความไม่ทุกข์หรือว่าเกิดความนิโรธความดุดพ้นในช่วงขณะเกิดนิพพานช่วงขณะนั้นอันนั้นก็เป็นการเดินทางของจิตไนะปสู่มรรคผลนะนิพพานแล้วนะที่จริงอริยสัจทั้ง4มันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันทั้งสี่ข้อมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนะมื่อไรที่รู้ทุกข์เมื่อนั้นมันก็ดับทุกข์เมื่อนั้นะมันก็เดินทางของมรรคเมื่อนั้นมันก็ละนะสาเหตุ ข, ของความทุกข์แล้ว ทั้งสี่ข้อนี้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเป็นเหตุและเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วก็ศึกเรื่มเนี่ยกา ร, รเจริญสติรู้สึกตัวเนี่ยแหละมันเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่ทําให้เราเกิดแนวทางในการภาวนาในมัสมีองค์แปทั้งหลายในการเจริญอริยสัจสี่เนี่ยที่สมบูรณ์แบบมากแต่เรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของกิจกรรมเรื่องของงานเกี่ยวข้องทางโลก มันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าเราทําความรู้สึกตัวเข้าไปในทุกอิยาบททุกการทุกงานให้เห็นอิยาบทกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับการเกี่ยวข้องกับงานภายนอกกับการเกี่ยวข้องกับผู้คนภายนอกมันก็ไม่หนีไม่พ้นจากทางของอรยิยมรรคในองค์แปดเช่นเดียวกันสามารถทําได้นะทั้งการปฏิบัติธรรมในรูปแบบแล้วก็สามารถทําไดนะ้ทั้งการปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบแ เพียงแต่ว่าเราต้องกลับมาเรียนรู้จากความทุกข์ของเรื่องของกายเรื่องของใจให้มันชัดเจนจะได้ออกจากความทุกข์นะอย่างแท้จริงเนาะก็ฝากเป็นเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นแนวทางในการภาวนาสำหรับเราในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปกาบพาพร้อมกัน